أعوذ ب اللهم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلى الظالمين ولا حول ولا قوة بال إلا بالله العلي ا ل أ ظ ي م الله ملك الحمد حتى ت ر ض ى ولك الحمد إذا رديت ولك الحمد بعد رضا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الأولين والآخرين واشهد أن نبينا محمد ا أبد ورسوله أرسله الله ب ا ل ه د ا ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كله الكافرون وقد أدل آ م ا ن ة وبلغ الرسالة ونص الأمة و ج ا ل في ل ق ا ت ه ا ذ ه فجزاه الله ع ن ا وعلمتي خير ما جزاه نبيا ن ع أ م ت ي أما ب ع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته บก تعالى ลกวรับพ ال ี ون ون ่น้องที่รักนีครับกับมาคุยกันตอในช่วงของการอธิบายอัลกุรอานนะครับทัซีเรายังคงอยู่ในช่วงของสุลอลทั้งเป็นสุที่87ในอัลกุรอานเราคุยกันตอนนี้นะครับถึงอายที่17ก็คือว่าเค่อก สุภาษาร์ครับพี่น้องที่รักในอัลกุรอานนะครับเราจะพบว่าพวกเราใช้คําที่สั้นๆแล้วก็กระชับแล้วก็ความหมายนั้นพูดได้เลยนะครับว่ามากมายเกินจินตนาการนะครับผมอย่างอยางยะที่สิบเจ็ดนะครับผ <c oughs> ูเราใช้คําว่า well ค k h i r a t u k อ a y r u wa abqa โดยที่ a k h i ร a h หรือว่าโลกสุดท้ายโลกหน้านั้น k h a y r นมันดี ว่บบอัปปะอแล้วมันก็อยู่อย่างถาวรโลกอาคีระอนนั้นดีเพราะเราไม่ได้ใช้คาว่าโลกอาคีร้อนั้นดีกว่าโลกยุนยาแต่พราะใช้คาว่าโลกอาคีร้อนนั้นดีเฉยเลยนะครับซึ่งใช้คําว่าคอยรุนซึ่งคอยรุนเนี่ยในภาษาอังกฤษเรียกว่า natural du feed al umum แปลว่าคําว่าดีในที่นี้คือครอบคุมในทุกด้านแล้วก็ทุกมิติแปลว่าพวลเราสวัสดิ์ต้องการให้เราได้คิดนะครับผม แต่เราได้ไขควรในดุนยามันมีสิ่งที่งดงามมากมายมี ส, tourism, ส b, ิ่งที่อำนวยความสะดวกมากมายมีสิ่งที่เราอยากได้มากมายมีสิ่งที่เราคิดว่ามันดีมากมายครับผมใช้ว่าคิดว่ามันดีเพราะหลายๆอย่างที่เรามองว่ามันดีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันจบแค่ดุนยาย้ำอีครั้งหนึ่งเราไม่เคยบอกว่าโู้ละห้ามมุสลิมจากการที่จะมีความสุขในดุนยาห้ามเราจากการครอบครองสิ่งในดุนยาไม่เพราะเราไม่ได้บอก เพียงแต่พวกเราบอกว่าเป้าหมายของผู้ศรัทธานในดุนยาเนี่ยว่ลาตันซาลาซีบักะมินัตดุนยาอย่าได้ลืมส่วนแบ่งของเจ้าในดุนยาแต่ว่าเป้าหมายหลักของเราต้องอย่าลืมว่าเป้าหมายหลักนั้นอยู่ที่อาคิร์รอลทีนี้ครับพี่ น, น้องในอะคิร์รอลเนี่ยโปรลาเชสคำง่ายๆสั้นๆว่าคอยรุ่นตัวอับบกอสองคุณลักษณะของอาคิร์รอลที่ว่าพวกเราให้มุสลิมได้คิดอันแรกคืออะไรครับดีอันที่สองคืออยู่ตลอดไปคําว่าดีในที่เนี่ยที่บอกว่า ในทุกมิติ <c oughs> ถ้าเรามาดูครับอะไรบ้างที่อิคาร์ดีกับดุนยาทุกอย่างในดุนยาที่เราสึกว่าดีมีอะไรบ้างครับอาหารการกินโอ้อาหารนั่นดอาหารนี้ดีอันนี้อร่อยอันนี้อาหารนอนมับชิดินหนึ่งดาวสองดาวสามดาวอันนี้อาหารแบบสุดยอดเราจะรู้สึกว่าคาว่าดีเนี่ยเราใช้ส่วนมากใช้กับอาหาร คือมีดีรู้สึกดีที่มีชีวิตบางคนบอกบางทีได้กินของอร่อยเนี่ยรู้สึกเลยว่าดีจังเลยที่ยังมีชีวิตได้มากินหรือไม่ได้กินคงจะเสียดายแต่คําว่าดีที่แท้จริงเนี่ยพวกเราไม่เคยใช้กับของดุนยาไม่เคยใช้คำว่าดุนย์านั้นดีหมายความว่าดุนยาทั้งหมดที่เราเห็นที่เราได้รับที่เรารู้สึกว่ามันดีนะครับมันก็เป็นเพียงแค่ถ้าเทียบกับอะเคอร์นี่คือเทียบแบบไม่ติดฝุ่นเลยเป็นเลยที่มันเกินจินตนาการยกตัวอย่างพี่น้องถ้าเกิดเพื่อจะได้เห็นภาพง่ายขึ้น ไม่รู้ว่ามีท่านใดที่แบบว่าเคยเขียนบทความเคยเขียนอหนังสือหรืออาจจะเป็นอะไรก็ได้จะเป็นไดอะไรตอนที่เราเด็กๆอะครับมีใครเคยหรือเปล่าอาจจะเขียนหน้าสองหน้าหรือเป็นเล่มเนยก็ตามแต่พี่น้องเคยไหมครับว่าถ้าเกิดหลังจากนั้นเนี่ยอาจจะสักยี่สิบปีสามสิบปีพอเรากลับมาอ่านเราอาจจะหัวเราะ น, นะครับหัวเราะตัวเองที่แบบว่าเออตอนนั้นนี่เราเขียนไปได้ยังไงอันนี้นี่เราคิดว่าดีแล้วใช่ไหม ม่รู้มีใครเคยหรือเปล่าแต่ผมเคยครับหลายเรื่องด้วยนะครับที่พอกลับไปดูปุ๊บเอ่ออันนี้คือคิดว่าดีที่สุดแล้วใช่ไหมเนี่ยจริงๆมันมันไม่ใช่เช่นเดียวกันครับมนุษย์เรานั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่เราเราไม่รู้อนาคตแล้วเราก็ไม่รู้หลายๆอย่างที่มันเกินความสามารถที่จะรับรู้ของเราเรารู้แค่ณเวลานี้เพราพูดเล่าสุภาษิตได้บอกให้เรารู้ครับว่าที่เจ้าว่าดีเนี่ยอาหารที่เจ้าว่าดีไม่ใช่ดุนยามันไม่ใช่อาชีเรานั้นต่างหาก ที่คู่ควรกับคําว่า ด, ดีเครื่องนุ่งหม่มเครื่องสวมใส่ยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ได้ยี่ห้อนี้ได้ใส่นีค่คือแทบจะลอยได้มันยังไม่ใช่เสื่อผ่ามันยังไม่ดุเดเกียกว่าเสือผ่าพี่น้องเคยไม่เวาลาเปรียบเทียบสมมุติอ่ะเอาอาหารแบบที่แย่สุดๆเลยกับอาหารที่หรูสุดๆพอเราจะอาหารแย่สุดๆเราจะบอกว่าอันนี้ไม่เรียกว่าอาหารด้วยซ้ํานี่คืออารมณ์ ประมาณนี้ครับของชาวสวรรค์เมื่อเข้าสวรรค์ไปแล้วเมื่อมันคิดถึงดุนยาพี่น้องอาหารกินไปได้ยังไงเสื้อผ้าอันนี้หรูแล้วใช่ไหมความเป็นอยู่บ้านนี่หรือบ้านที่ฉันอยากจะอยู่เพราะบ้านในสวรรค์เกินจินตนาการพี่น้องใหญ่โตโมโหอะไรอยที่เราทราบมีทั้งปู ด, ด้วยกับทัพอัญมณีต่างๆมีทัพทีมมีหยกมีทองคํามีลวดลายที่งดงามคือจนเราจะรู้สึกว่าดุนยามันมันไม่น่าจะเรียกว่าบ้านมันมันน่าจะเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้ที่แบบว่าฮะเหรือที่ฉัน ทนขวายทั้งชีวิตจะเป็นจะตายเพื่อให้ได้แค่เนี่ยนะแต่ตอนนี้เราไม่รู้เห็นพี่น้องเรายังไม่รู้ว่าเรายังอยู่ในดุนยาแล้วเราก็เห็นแค่ดุนยาแล้วเราก็อยากได้แค่ดุนยาเหมือนกันครับอะไรก็ตามที่มันไม่ดีเราก็รู้สึกว่าทําไมต้องไม่ดีทําไมเหนื่อยทาไมแย่ทําไมฉันต้องโดนทําไมฉันต้องเจ็บทําไมทำไมทำไมทำไ ม, ำไมแต่เมื่อไปเจอวันอาคิรัพพอเราหันกลับมาดูเออทําไมฉันไม่โดนให้เยอะกว่านี้เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ว่าเราอาลัมพี่น้องเพราะอะไรครับ เพราะทุกบททดสอบมันคือการตอบแทนในโลกหน้่คือในดุนยาเนี่ยเราไม่อยากเปิทดสอบตัวแม่เราอยากมีชีวิตที่สะดวกสบายซึ่งมันก็ไม่ได้ผิดอะไรเพียงแต่ว่าถ้ามองในมุมมองแห่งความจริงเราเกิดมาเพื่อรับบททดสอบซึ่งฟุลลักก็บอกว่าเหนื่อยแล้วก็เอาเหนื่อยให้มันสุดๆถูกไหมครับฟารักบาตามะหลักอักบาเหนื่อยแล้วก็เหนื่อยให้มันสุดๆไปเลยเพราะอะไรเหนื่อยให้มันสุดๆเนี่ยถ้าเหนื่อยเพื่ออายคาร์รเนี่ยมันคุ้ม เจ้าจะได้เจอสิ่งที่เรียกว่าอาหารที่แท้จริงเจ้าจะเจอสิ่งที่เรียกว่าเสื้อผ้าที่แท้จริงจะเจอสิ่งที่เรียกว่าบ้านที่แท้จริงจะเจอสิ่งที่เรียกว่าผู้หญิงที่แท้จริงจะเจอสิ่งที่เรียกว่าครอบครัวที่แท้จริงคู่ครองที่แท้จริงวันที่แท้จริงสถานที่ที่แท้จริงเพราะว่าเมื่อมาเทียบระหว่างอัคระกับดุนยาเพราะเราใช้คําเดียวสั้นๆง่ายๆคอยรุ่นวัลอัคระตุคอยรุ่นโลกหน้านั้นมันดีซึ่ง คำว่าดีคอยรุนสํานวนเนี่ยครับในภาษาหลับเนี่ยไม่สามารถถ่ายทอดเป็นภาษาอื่นในโลกได้อีกแล้วเพราะว่านักเรียนตัฟิโตนอมุมูเนี่ยมีแค่ในภาษาอาลับเท่านั้นเพรา ะ, ะนั้นจะแปลไงพี่น้องก็แปลไม่ได้พี่น้องอาย่านี้ก็คือความนึกซึ้งความอัศจรรย์คือเพาบอกรู้ว่าแต่อารครอนั้ย น, น่ยมันดีกว่าในทุกมิติในทุกมุมมองในทุกความเข้าใจถ้าหากว่าเจ้าได้ไปถึงตรงนั้น งเวาเราจะรู้กันทุกคนครับรู้กันทุกคนซึ่งก็ขอดนวญาตจากพกระลอสซูบาร์ตไรส์รว่าบาคนนั้นเป็นชาวสวรรค์ครับเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าอาหารที่แท้จริงมันเป็นยังไงเครื่องนุ่งห่มที่แท้จริงเป็นยังไงที่พักฝั่งที่แท้จริงเป็นยังไงแล้วก็คู่ครองที่แท้จริงเป็นอย่างไรแน่นอนคนที่มีคู่ครองในดุนยาอาเาะเฟรอร์ถ้าได้เข้าสวรรค์ด้วยกันก็ยังเป็นคู่ครองกันอยู่แต่ก็จะเป็นคู่ครองที่ได้รับการอัพเลเวลขึ้นไปอีกกับพี่น้อง ที่มีแต่ความดีงามที่เราจะไม่ได้รับด้านลบอะไรจากเขาอีกเลยตลอดการเพราะนั้นค่าว่า<ฆ>วัลฮิรัตุค่อยรุนคำคำเดียวเนี่ยสำหรับมุสลิมสาหรับผู้ศรัทธาคำคำเดียวนี้เพียงพอแล้วคำคำเดียวนี้เพียงพอแล้วครับพี่น้องที่รักยิ่งครับมีครั้งหนึ่งเนี่ยซาบะท่านหนึ่ง อ, อ่านยากุรอ่านแล้วก็่านตรงที่บอกว่าแล้วสวรรค์เนี่ยมีความกว้างใหญ่เนี่ยยิ่งกว่าฟากฟ้าและแผ่นดินซาบะท่านนั้นครับได้บอกกับท่านบอับดุลารห์สูลลาะเนี่ยช่วยขอให้ฉันได้เข้าอยู่ในนั้นได้ไหมพอได้ท่านอบีุลเซาลลาะได้ยินชายคนนี้พูดซาบะท่านนี้พูดครับท่านอบีบอกว่าไงครับคุณได้อยู่ในนั้นคุณได้เป็นชาวสวรรค์ ซาบะคณนั้นพอได้ยินปุ๊บสุภาณอัลลอฮ์ครับซุภาณัลลอฮ์เขาบอกว่าบุ๊คบุ๊คบุ๊บุ๊ไปว่าไงบุ๊คบุ๊คเป็นอารมณ์ ป, ประมาณนั้นอืมอืมถ้าเกิดเป็นภาษาไทยนะครับผมท่านบีก็ถามว่าทําไมคุณถึงพูดคํานี้ลนะ่ะเขาก็บอกว่าไงครับยารูซูลอัลผมอยากเข้าเพราะผมได้ยินว่าสวรรค์เนี่ยเป็นยังไงมันใหญ่ขนาดเนี่ยผมอยากเข้าซาบะทีนี้ชื่อว่าท่านออูเมรบินฮามามอานซอรี่นะครับผม พอซาบะท่นี้บอกว่าอยากเข้าซึ่งแน่นอนท่านนบีก็บอกว่าคุณเนี่ยได้เป็นชาวสวรรค์ตอนนั้นพี่น้องซาบะท่านเนี่ยกำลังทานอินาผาลัมมีินาผาลัมอยู่ในมือประมาณ3ามสี่เมตรซึ่งสงครามกําลังจะเริ่มก็คือเป็นการกินอาหารก่อนที่จะเริ่มสงครามแล้วพอเขาได้รับการแจ้งข่าวดีจากท่านนบีมอมัสโรสลับว่าเขาจะได้เป็นชาวสวรรค์พี่น้องรู้ไหมเขาพูดไว้อย่างไรมุมมองเขามองอย่างไรอินาผาลัมที่อยู่ในมือเขาเนี่ยเขาบอกว่าไงครับ ถ้าฉันมัวแต่จะกินมันให้หมดเนี่ยมันใช้เวลานานเกินไปสบาน้องวะอะไรนานเกินไปคือตอนเนี่ยใจของเขาไปถึงสวรรค์แล้วคือเขาพอเขารู้ว่าสวรรค์เป็นยังไงแล้วเขารู้สึกว่าจะมามัวเสียเวลาทำไมในดุนยาพี่น้องเขามองได้ขนาดนั้นเน่ะคือเขาบอกว่าถ้าเกิดฉันจะมัวกินนิราผาลำนี้ให้หมดเนี่ยมันคงจะนานเกินไปมันเป็นชีวิตที่ยาวเกินไป เขาก็เลบังอินพาลำแล้วก็เข้าไปร่วมสงครามแล้วก็ตายชหิดในสงครามนั้นเรอย่งงาโมโหอันทุมอาจจะมาอินอันนี้ในเรืคคขอยมามมุสลิมนะครับพี่น้องนี่คือมุมมองของคนที่เข้าใจคำว่าคอยรุนซึ่งผมกลัวเหลือเกินว่าไม่ใช่พวกเราในทีน่นี้ไม่ใช่ผมแล้วก็อาจจะไม่ใช่พี่น้องด้วยเพราะเรายังคงมองว่าดุนยามันคือทุกสิ่งเรายังคงสนุก เรายังคงรู้สึกเรายังคงไม่อยากจากเดินยาใช่หรือไม่อันนี้ถามตัวเองอันนี้ต้องถามตัวเองครับผมซึ่งผมกลัวคําตอบที่จะได้มาในคุณผู้ชมเข้าใจว่าคอยรุนว่าอั บ, บกออั บ, บกอคืออยู่ตลอดการความผาสุขอยู่นั้นอยู่ตลอดการแล้วพี่น้องบางคนอาจจะบอกจะเบื่อไหมไม่มีคําว่าเบื่อครับเพราะว่าสำหรับชาวสว่านนั้นในสวรานนั้นจะมีวันสุขเป็นยังไงว่าหล่ออาลัม แต่ข้อแท้จริงก็คือว่าจะมีการมารวมตัวกันเพื่อที่จะได้รับเนื้อมาที่ดีที่สุดนั่นก็คือการมองไปยงใบหน้าของฟัวร์ลัสโซปาโนอัตตาล่าซึ่งเมื่อหลังจากที่ได้มองแล้วความผาสุกทั้งหมดนี้สวรรค์เนนะี่ยเขาจะลืมไปเลยเพราะว่านั่นแหละคือสุดยอดแล้วแล้วเมื่อถึงเวลาครับได้กลับมาหาครอบครัวพวกเราจะอัปเกรดครอบครัวให้ดีขึ้นไปอีกแปลว่าความผาสุกในสวรรค์ไม่มีที่สิ้นสุด เพราะคว่าคอยรุ่นกับคําว่าอัปกรเนี่ยสองคำนี้เป็นคําที่เกินจินตนาการของมนุษย์เกินกว่าที่เราจะเข้าใจได้แต่ผู้ที่ศรัทธาเนี่ยต่อให้เขาไม่เข้าใจไม่เห็นภาพถึงข้อเท็จจริงแต่เขาก็รู้แล้วว่ามันไม่ใช่อะไรที่จะเามาเปรียบเทียบกับดุนยาคือดุนยาเป็นอะไรที่มันเทียบไม่ติดเลย ท่านน บ, บีมสุสลิมซามได้กล่าวไว้ครับในคี่คอยมัมอาํามัดครับซึ่งเชกไบรรยระบุว่าเป็นที่ที่สั่งเงมันอาฮับมาดุนยาหู อ, อับอบิอครติวมันอฮับบอาิรตอัอบิดุนยาูะอาซรมาบกอาลามาฟนาท่านน บ, บีมสุสลิมบอกว่าไงครับใครก็ตามที่เขารักดุนยาดุนยานั้นจะทาลายอาครอของเขา แล้วใครก็ตามที่รักอาคิร์ร็อของเขาอาคิร์ร็อนั้นจะทําลายดุนยาของเขาเป็นรักที่น่าสนใจพี่น้องผมกเกรว่าถ้าเราจะตรวจสอบตัวเองเนี่ยง่ายๆเลยเรารักอะไรมากกว่ากันดุนยาหรืออาเคเราะ็อกเวลาที่สอบสวนไม่ต้องไปบอกให้ใครรู้ไม่ต้องไปปาปาศให้ใครเรามานั่งคิดของเราเองเรารักอะไรมากกว่ากันเอาจริงๆที่มันไม่ใช่แบบเป็นคําตอบที่มันอยู่บนหิ่งพี่น้องไม่ใช่คําตอบที่อยู่ในคุรานไม่ใช่คําตอบอยู่ในี เพราะถ้าตอบอยู่ใกุฎีอัลฮะดิสเราก็ตอบเราก็จากันมาเราก็บอกว่าอ๋อแน่นอนฉันรักอาชีราะฉันอยากได้สวรรค์ฉันรักอัลลอฮ์เอาความจริงมาพูดดีกว่าเอาความจริงมาพูดว่าตอนเนี่ยเอาพฤติกรรมอคําพูดมันมั น, ม, นมันหลอกกันได้มันทําให้ดูสวยงามได้พฤติกรรมของเราเนี่ยเป็นพฤติกรรมที่เลือกดุนยาหรือเป็นพฤติกรรมที่เลือกอาชเราะตรงนี้จะเห็นชัดจเจนทีน้อกากาฟาบินั บ, ลลบซิกะเลอมะเลก้าฮัสีบะ ถ้าพูดเหมือนนัยยกราพกเราบอกเราสอบสวนตัวเองมันก็ชัดอีแล้วถ้าเราไม่หลอกตัวเองเราก็จะรู้ว่าตกลงเราเลือกอะไรซึ่งท่านอบดเตือนว่าอะไรครับถ้าคุณเลือกอะไรก็ตามสิ่งที่คุณเลือกมันจะทําลายอีกสิ่งหนึ่งเพราะมันตรงกันข้ามกันถ้าทุ่มไม่กับดุลยาพี่น้องไปดูคนที่ทุ่มไม่กับดุลยาเนี่ยลืมอาคิลเนี่ยนอนพี่น้องต่อให้เขาบอกว่าฉันเชื่อมีบนสิ่โลกต่อให้เขาบอกวันเชื่อมีอัลลอฮฺต่อให้เขาพูดยังไงก็ตามแแตต่่่พฤิกกกรรมมมมขขขออออองงเเเเาาาาาันจะสดดวืืลุ เขาจะห่างจากอาเคโรแล้วก็เช่นเดียวกันพี่น้องไปดูคนที่เลือกอาเคโรเขาก็จะค่อยๆออกห่างจากดุนยาไม่ใช่ว่าทิ้งดุนยาเพราะว่าเราทิ้งไม่ได้เราอยู่ในดุนยานี่คือที่ที่เราอยู่มันคือที่ที่เรามีชีวิตคือที่ที่เรามีความสุขมีความทุกข์มีอะไรแต่ว่าพี่น้องสังเกตไมหมละ่ะยิ่งตอนที่เรามีหม م ا ن มากๆความป่าเถนาในดุนยาของเราจะลดลง จากที่ติดแบรนด์หรูจากที่ว่าฉันต้องมีเหมือนกับที่คนอื่นมีจากที่อะไรก็ตามที่เรารู้สึกฟู้งซ่านมันจะค่อยๆลดลงจากที่อาจจะบอกว่าอาหารต้องมีเต็มโต๊ะต้องมี10กว่าอย่างเมื่อกีแล้วก็พอเพียงกับอาหารอย่าง2อย่างที่เราได้กินหมดที่เราได้กินแล้วขอบคุณออลนะครับที่ท่านอับดุลสลามพูดจึงเป็นอะที่ชัดเจนใครก็ตามที่รักดุลยาของเขาดุลยาของเขาความรักที่มีต่อดุลยาของเขานั้นจะทําลายอาชีพของเขา แล้วใครก็ตามที่รักอาเคโรของเขาความรักที่มีต่ออาเคารจะทาลายดินยาของเขาฝาอาซีรูท่านบีมวมัสยสาซัมได้เตือนสติครับพวกท่านจงเลือกเราจะเลือกให้อะไรมีบทบาทหรือว่ามีอิทธิพลกับเราลรืครับท่านบิวบอกว่าจงเลือกสิ่งที่มันจะอยู่ตลอดกาลให้มันมีอิทธิพลกับท่านมากกว่าสิ่งที่มันจะ ต้องดับศูนย์เรารู้ว่าอะไรจะดับศูนย์แต่เรายังรุ่มโงกับมันอยู่เรารู้ว่าอะไระอยู่ตลอดการแต่เราก็ยังเตรียมการงานน้อยเหือเกินอีอท่านินมามาิบบินดนานะครับท่า น, นกล่าวว่าเราแก่ในติดดุลยามินซะฮบินยุบวลอาคตมินซัฟยุก่และกวาจีบอายุอัซซิฟอัลซัฟยุก่อ阿拉ซะฮบยุ ว่าไก่ฟ้าวัลอาครอมินดาหับยุคกับวัตุนยามินเขาซับยุคน่ท่านมาลิกบินดีนทัทครับรอยมูละครับท่านบอกได้บอกว่าไงครับหากว่าดุนยาเนี่ยมันเป็นทองที่มันจะต้องดับศูนย์ไปแล้วอาครอเนี่ยมันเหมือนกับมันเป็นไม้หรือเป็นอะไรก็ตามที่มันจะอยู่ตลอดไปแน่นอนวา ย, ยิปครับสาหรับคนที่มีสีปัญญาเนี่ยเขาย่อมจะต้องเลือกให้ไม้ที่มันจะอยู่ตลอดกาลเนี่ยมีอิทธิพลกับเขา มากกว่าที่เขาจะเลือกทองคําที่มันจะต้องดับศูนย์ถูกไหมครับเพราะว่าต่อยมันมีค่าแค่ไหนแต่ถ้ามันต้องดับศูนย์ไปมันจะมีค่าอะไรเทียบเท่ากับของที่มันจะอยู่กับเราไปตลอดการอันนี้มามณิกบอกไงครับถ้าหากว่าถ้าหากว่าดุนยาเป็นทองอาร์เคโรปเป็นไม้ที่จะ อ, อยู่ตลอดการการเลือกไม้ตลอดการย่อมดีกว่าแต่อันนี้อาร์เคโรปไม่ใช่ไม้ แต่เป็นทองที่จะอยู่ตลอดกาลแล้วดุนยาเนี่ยเหมือนกับเศษไม้ที่มันจะอยู่แล้วมันก็จะดับสูนไปแล้วทำไมคนถึงยังเลือกเศษไม้อยู่บาลอาชโรตุคอยรู้วะบอกก็จ ะ, จะกลับไปหายากกว่า น, นั้นนี้บาลตุซิรุณัลหายาตัดดุนยาเพราะเราเลือกให้ดุนยามามีอิทธิพลสำหรับความคิดของเราสาหรับ การกระทำของเราสำหรับคพูดของเราสาหรับทุกสิ่งทุกอย่างของเราใช่หรือไม่ตอบตัวเองพบล่ก่าวไว้ครับในสรุรานอามว่า وما قدر الله حق قدره إذ قال ما أنزل الله على بشر من شيء كل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى ن و ر و ل ل ا س ت ج ن ر ا ت و نها وتكون ق ص ي ر وأُلِمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْ تُمْ وَلَا أ ب َ ا ك ُ م ْ ك ُ ل ِ اللَّهِ ثُمَّ َ ر ه ُ م ْ فِي ق َ و ِْ ه ِ م ْ ي ََ ب ُ و ن َพี่น้องที่รักยิงครับมีมนุษย์เป็นจานวนไม่น้อยเราพูดถึงแค่ผู้ที่รู้จักพระเจ้าเอาแค่ผู้ที่รู้จักพระเจ้ากันมีมนุษย์เป็นจำนวนไม่น้อยที่รู้จักพระเจ้าที่ยอมรับในพระลอสอัลกุบะฮนะหวแต่อะไรเนยียรัเนพเระลอสพูดถึงกลุ่มชนชาวยิว แล้วน่นอนครับมันเข้าถึงมุสลิมบางกลุ่มบางประเภทบางคนด้วยพวาเราบอกไงครับแล้วพวกเขานั้นไม่ได้ให้เกียรติต่ออัลลอฮ์ไม่ได้ยกย่องผู้อัลลอฮ์ไม่ได้ให้คุณค่ากับผู้อัลล์ไม่ได้นับถือผู้อัลลอฮ์ตามที่ควรจะเป็นคือยังไม่ถึงเกณฑ์ผ่านด้วยซ้ำ พอเราให้ความเมตตามาเป็นล้านเขายอมรับอาจจะแค่หนึ่งสองหรือไม่ถึงเบสามหรือบางทีถ้าไม่ได้มาอาจจะกตเกดเกียดดาว่าลอรีสามวะมากรดรุลลอฮะฮักกอกะดะริวรกนี้เป็นวรกที <c oughs> คมมก่ความหมายหนักความหมายหนักแล้วมันก็ค่อนข้างจะเข้าตัวเกือบทุกคนพูดได้เลยว่าเกือบทุกคนวะมากระดุลลอฮะฮักกอกะดะริ นอกจากผู้ที่ศรัธทธาต่อขัวล้อสุบฮานวตาราอย่างแท้จริงที่เขาเลือกขั้วล้ออย่างแท้จริงเขาอาจจะล้อจากอายะนี้แต่น่นื่อยาจานั้นผมกลัวเหลือเกินว่ามุสลิมเป็นจานวนไม่น้อยเราไม่ได้ให้เกียร์ขั้วล้อตามที่ควรจะเป็นในที่พูด ก, ากาับอิดกอมูมมาอันซรุลลอฮอและชร ر ิมินชัย พวกเขาบอกตำรวจเราไม่ได้ประทานอะไรมาหรอกเราไม่ได้ส่งอะไรมาเลยไม่เห็นมีทางนําอะไรที่ส่งมาก็เหมือนมีอะไรเก็ดมีแขกสุราฟ้าแจ่มมีแขกุรราณมีแฝ่นั้นมีแค่นี้ไม่ได้ส่งอะไรมาเลยคุณคุณไหมครับคุณคุณไหมถ้เกิดเราเปรียบเทียบก็เหมือนกับชีวิตคู่ะครับผมบางทีชีวิตคู่คนมาคนถูกพวกเรทดสอบครับคู่ครองเนี่ยเขาจะทําความดีมากขนาดเนี้ยก็ตามพอถึงเวลาขัดใจปุ๊บอีกฝ่ายนึ่งจะบอกว่าฉันไม่เคยได้อะไรดีๆจากแกลเลยหรือจากเธอเลย เหมารวมหมดเลยซึ่งความดีทั้งหมดหายไปหมดซึ่งอันนี้แค่ะระหว่างมนุษย์กับมนุษย์แต่ถ้าเรามาดูระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าะจะเราจะพบว่ารูปแบบเเจอบ่อยมากบ่อยเยอะมากๆเลยการที่คนพอไม่ได้ในสิ่งที่ตัวเองอยากจะได้นี่ขัดโดนขัดใจขึ้นมาเนี่ยทาไมฉันไม่สบายทําไมฉันถึงสูญเสียทรัพย์สินทําไมฉันไม่ได้กับคนที่ฉันรักชอบ ท, ท, ท, ทอาําไมทำไมทําไมทําไมอัลลอฮ์ไม่รักฉันดูอาเนฉันทํำมามีประโยชน์ฉันละหมาดมาเนี่ยไม่รู้ได้อะไรบ้าง พี่น้องว่ามีไหมล่ะคนประเภทเนี้ยนี่เจอมาแล้วได้ยินมาแล้วแล้วไม่ีเห็นช่วยเลยเลยประโยคนี้เคยดีมแล้วพี่น้อง أ س ัก ف ر ล ل ل ه أ س ت غ ف ر ا ل ل ลล س ت غ ف ر اللهوما ล د ر الله حقا ت พวเราไม่ได้สงอะไมากับมนุษย์เลยคุณมันอันเสรลกิดาพวกบอกอ่าบอกสิบอกให้เขาฟังสิว่าแล้วใครนะที่ประทานคำภีมาให้กับมูซาเจ้าเชื่อในมูซาไม่ใช่เหรอ คือโอเคอยู่เจ้าไม่เชื่อในมุฮัมมัดสุลลัลสลัมใช่ไหมเจ้าปฏิเสธนบีอิสาใช่ไหมคือไม่ยอมตามใช่ไหมแต่เจ้าก็เชื่อนบีมูซาไม่ใช่แต่เจ้ารักนบีมูซาไม่ใช่เหรอแล้วเจ้าก็ถือว่าเป็นนบีแบบสุดยอดไม่ใช่เหรออ๋อได้สรงประทานคัมภีร์มาให้กับนบีมูซาใช่ไหยล่ะเตารอนเนี่ยประธานในบีมูซาถูกไหมถ้าประทานมา แล้วใครประทานน่ะแล้วเจ้าบอกว่าพวกเราไม่ได้ส่งอะไรเลยพวกเราไม่ได้เตือนอะไรมาเลยบางคนก็บอกถ้าพระเจ้ามีจริงก็ต้ององั้นีิต้องอย่างนี้ต้ององั้นต้อ ง, องนี้ก็เนี่ยพระเจ้าประทานกุร า, านมาแล้วไงแล้วยังจะถ้าพระเจ้ามีจริงอะไรอีกซึ่งคมภีร์ที่ถูกประทานมาตาร้อนที่ถูกประทานให้กับในบีมูซาเนะี่ยนูเรวะฮูแดนเป็นนัตสมีทําให้คนที่อยู่ในที่มืดมิดเนะี่ยเห็นแสงสว่าง ทำให้คนที่หลงทางเนี่ยรู้สัจธรรมแต่จะอาเรื่ฮูการ์ทีสที่เจ้าได้ทําการบันทึกคือเจ้าก็ทําการบันทึกสืบทอดต่อมาอีกตั้งหากแล้วทําไมถึงบอกว่าไม่มีซึ่งเวลาเจ้าถืสืบทอดมาน่ยสืบทอดเนี้ยผู้อธิบายชัดเจนเลยพี่น้องตุ๊กดูเนี่ฮะว่าตุ๊กฟูเนี่ยกะซี่รอซึ่งพอมีการสืบทอดถ่ายทอดคําพีจากพวกู้ล้อเนี่ยเจ้าก็ถ่ายทอดแค่บางส่วนแล้วก็ปกปิดอีกส่วนมาก อะไรที่มันเข่าตัวอะไรที่มันลำบากอะไรที่มันไม่ชอบกับอารมณ์มัตัดทิง้งลบทิง้งบอกมันไม่มีหรือเปลี่ยนแปลงไปโว้อลิมตุมมาลัมตาอัลามุนแล้วพวกลอก็ยังสอนเจ้ามากมายให้จ้ารู้ในสิ่งที่เจ้าไม่รู้การเมินชีวิตการหุงหาอาหารการทำงานการประกอบอาชีพแต่และอย่างที่พวกล้อสอนใครเป็นผู้สอนพวกล้อเป็นผู้สอน ทั้งตัวเรากับบัมพ่อหุดเราทั้งหมดพอมนุษย์ถึงเวลาบอกว่าเนี่ยพ่อแม่ฉันไม่ทําหรือบางทีเราไปบอกนี่มันผิดนี่มันไม่ถูกต้องนี่นเป็นอุตริก ร, รมเป็นบิดาแนละเป็นสิ่งที่ไม่มันต้องมุสลิมต้องไม่ทําเด็ดขาดนะมุสลิมเองเป็นจำนวนไม่น้อยจะตอบว่าไงครับก็พ่อแม่เราทํามาตั้งนานแล้วเราก็จะขอทําตามที่พ่อแม่เราทําพวล้อจ่าว่าไงครับผัวล้อลไม่ใช่เหลอที่เป็นผู้สอนทั้งตัวเจ้ากับบัมพ่อรุษของเจ้า กุลินละคือผู้ที่พวกเราไลไปถามเนี่ยให้พวกเขาได้มีสติให้ได้ฉุกคิดแล้วพวกเราก็บอกเลยว่าแล้วเจ้าก็ตอบไปเลยเป็นคําตอบที่เขาก็รู้อยู่แล้วจงกล่าวบอกไปเยมูฮัมมัดกับผู้ที่ตามแนวทางของมูฮัมมัดสอรอยซัลลัมโจงกล่าวเถิดอัลลอฮ์ไงพวกเราเป็นผู้ที่ประทานมาไงพระองค์คือผู้ที่ประทานคำพิมพ์ให้กับนบีมูซาเป็นผู้ที่สอนอะไรมากมายให้กับพวกเจ้าแล้วก็เป็นผู้ที่พวกเจ้านั้นหักหลังพระองค์มากที่สุด กุลิลลาเฝ้าดูมรฮุมฟีคาาดีหิมยัาลอบูนเมื่อตอบเสร็จแล้วใช่ไหมก็ปล่อยให้เขาอยู่กับการโตเถียงของเขาไปก็แปลว่าวกวอซูบาร์ตาลาบอกว่าในการที่เราจะบอกสัจธรรมเนี่ยหนะ้าที่เราเราก็ต้องบอกเราก็ต้องเตือนพอเขามาถกมาเถียงมาอะไรปุ๊บเราก็ทำในขอบเขตที่มันพอเพียงแล้วถ้าทาปุ๊บพอเพียงจบแล้ว แล้วเขายังจะชวนหาเรื่องยังชวนเถียงชวนอะไรพวกเราก็ปล่อยให้เขาอยู่เป็นเถอะเพราะอะไรครับเพราะส่วนมากที่มนุษย์ชอบทําก็คือการโต้เถียงบ่กการอินซรนุกัคสรเชยอินชดาดะลางั้นพวกเราก็บอกก็ปล่อยให้เขาอยู่ในความคิดอยู่ในความจมปักอยู่ในความมุมมิดของเขาตัวเจ้าก็ต้องเลือกทางเลนของเจ้าเองเพราะอะไรครับเพราะแต่ละคน แ a ะจะรว่าจริตวิสระอุขรจะไม่มีใครไปแบกรับความชั่วของคนอื่นว่าอัลเลสลอินซาอินลามาซาอัวันซาอุลซาฟายุรอมนุษย์จะไม่ได้รับอะไรนอกจากสิ่งที่เขาทำเอาไว้แล้วอะไรก็ตามที่เขาได้ทุ่มเททามันไปเขาก็จะได้เห็นมันครับพี่น้องเราลองสังเกตดูอย่างถ้าเกิดว่าเอาตัวอย่างง่ายๆ อย่างห้างสรรพสินค้าเนี่ยครับยุคนี้ห้างสรรพสินค้าเยอะแยะแล้วก็คนเข้าไปเยอะแยะใช่ไหมครับหรือจะเป็นแอปออนไลน์ช้อปปิ้งออนไลน์ต่างๆพี่น้องว่าวันวันหนึ่งมีคนเข้าไปใช้บริการเยอะแค่ไหนมีคนเข้าห้างวันหนึ่งกี่คนมีคนที่เข้าแอ ป, ปเพื่อจะช้อปปิ้งเนี่ยวันหนึ่งกี่คนคนเนี่ยไม่รู้กี่ล้านคนถ้าเป็นแอ ป, ปนี่ก็เป็นล้านเป็นสิบล้านอ่ะพี่น้องถ้าเป็นห้างก็เป็นร้อยเป็นพันหรือมากกว่านั้นน่ยพี่น้องคนเข้าไปเนี่ยมากมาย ด้วยกับเจิตนาที่หลากหลายด้วยกับจิตนาที่แตกต่างกันบางคนเข้าไปซื้อบางคนเข้าไปขายบางคนจะซื้อนั้นบางคนจะซื้อนี่บางคนไม่อยากซื้อนั่นบางคนอยากแค่อยากเข้าไปดูหรือสารพัดเป้าหมายที่คนจะเข้าไปเหมือนกับในดุนยาครับเราเข้ามาอยู่ในดุนยาเนี่ยหลากหลายความคิดหลากหลายความต้องการหลากหลายเป้าหมายบางคนก็เข้ามาอยู่ในดุนยาปุ๊บอ่ะฉันอยากมีคู่ครองสวยๆอยากมีคู่ครองตาสี ตาสีฟ้าผมสีทองหรืออะไรก็ตามแต่หรือว่าฉันอยากจะมีบ้านที่ใหญ่สามชั้นมีลิฟต์แต่ละคนในดุญญนยาเนี่ยมีเป้าหมายที่หลากหลายแล้วก็แตกต่าง ก, กันขึ้นอยู่กับอะไรครับขึ้นอยู่กับแรงผลักดันที่ตนะบีมัสรรมเซอร์ไดกล่าววบว่าอินนัมัลอะมะลูบินมิยัดแน่นอนการงานนั้นตัดสินกันที่แรงผลักดันหรือก็คือเจตนา มีเจตนาอย่างไรไม่จะส่งผลผักดันให้พฤติกรรมไปในทิศทางนั้นเสมอพี่น้องดูว่าเราทุ่มเทให้กับอะไรก็ไปนั่นแหละคือสิ่งที่มันเป็นแรงตักดันของเราเพราะนั้นในดุ ญ, ญายายนชัดเจนเลยไม่ต้องไปตัดสินคนอื่นเอาตัวเราเนี่ยแหละเพราะถึงเวลาเราต้องรับผิดชอบตัวเองถึงเวลาถ้าจตดุลงโทษเราก็เดือดร้อนถ้าได้รับความปวดปานเราก็จะได้ กดูเราตัวเองว่าตกลงแรงผลักดันที่ทำให้เรายังอยากอ ย, กอยู่ในดุนยาคืออะไรเหมือนคนเข้าห้างเขามีเป้าหมายชัดเจนเหมือนคนเข้าแอปเขามีเป้าหมายชัดเจนแล้วเราเวลาที่เข้ามาในดุนยาใช้คำว่าเข้ามานะพี่น้องเหมือนเข้าห้างเดี๋ยวก็ออกห้างเข้าไปแป๊ บ, ปบๆปเข้ามาในดุนยาก็เ ข, าเข้ามาแป๊บแปเดี๋ยวก็จะออกไปจากดุนยาต้องออกทุกคนต้องตายทุกคนต้องทรมานก่อนตายทุกคน ว่า จ, จะสรัสระทุนมัดุบิลฮักดทีิกกมาพุา้นตตแต่เป็นหงจัฮิดเพราะเล่าเก่าในประวัติาว่าความทรมานที่เกิดจากความตายมาหาพวกเจ้าแน่นอนมันเป็นสิ่งที่พวกเจ้าหนีไม่พ้นเจอกันทุกคนแน่นอนเพราก็บอกให้รู้ดุนยามันก็เป็นแค่ช่วงขั้นตอนหนึ่งที่เราเข้ามาเพื่อที่จะใช้ชีวิตแล้วอะไรคือเป้าหมายที่ทําให้เราเข้ามาในดุนยาถ้าใครยังไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนตอนน้องรีบไปแล้วครับเพราะเราไม่รู้ว่า เราจะถูกเอาออกเมื่อไหร่เราไม่รู้จะมีประกาศเมื่อไหร่ว่าจะได้เวลาปิดทางแล้วขอเชิญทุกข่านเตรียมตัวมันไม่มีในชีวิตบรญญาถูกไหมครับพวกเราไม่ได้อเมริกามาบอกให้เรารู้บอกว่าอาจเตรียมตัวนะเดี๋ยวจะจะตายแล้วนะเดี๋ยวอีกสองวันจะตายเดี๋ยวจะมาเก็บญญานไม่มีใครรู้ทั้งผู้สเปซิสตาทั้งผู้ศรัทธาไม่มีใครรู้แล้วก็แปเมื่อเข้ามาอะไรคือเป้าหมายหาให้เจอพี่น้องหาแรงผลักดันให้เจอ มุสลิมเป็นจํานวนไม่น้อยเรากำลังเข่งขวางอยู่เรามีแต่ทฤษฎีเรามีแต่ข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเป็นข้อมูลที่ชัดเจนเป็นข้อมูลที่งดงามแต่ว่ามันยังไม่ได้กลายมาเป็นแรงผลักดันของเราอันนี้คือปัญหาเรารู้ว่ามีผู้สร้างเรารู้ว่าผู้สร้างเมตตาเราู้เรารู้่าผู้สร้างนั้นเป็นผู้ให้อภัยทั้งหมดเรารูเราเรียน แต่ที่เรารู้มันกลายมาเป็นแรงผักดันของเราแค่ไหนอันนี้คือสิ่งที่เราต้องสอบสวนตัวเองให้เยอะๆพี่น้องท่านอนันนบดุลเลาะสฮุยานว่าหากพวกท่านรู้เหมือนกับที่ฉันรู้พวกท่านจะหัวเราะน้อยลงแล้วจะร้องไห้เยอะขึ้นแล้วจะนับภาษาอะไรกับคนที่ไม่เคยร้องไห้เลยใช่ไหมครับผมก็สำหรับวันนี้ครับถือว่าเราพูดคุยกันเตือนกัน เตือนตัวผมเตือนตัวพี่น้องที่รักได้เข้าคิดอินชาอัลลอฮฺวลอาคิรัตุคอยรู้วะอบะกอในครั้งต่อไปครับอินชาอัลลอฮฺน่าจะเป็นพรุ่งนี้เราจะมาคุยกันในประเด็นที่ว่าวัลอาคิรัตกันเรามาดูทีละประเด็นอัลอาคิรัตแล้วก็มาดูคอยรุนแล้วก็มาดูอับะกอดูประเด็นที่เราจะได้สาระมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ด้วยความเมตตาของท่านลอสซุบฮานะฮุบะตาลาครับสราบะ น, นี้ครับอะกูลูโควลิฮะดะวาสักลุลลอฮ์ฮิบัลลคุม ว่าลิศาอิลมุสิมีน่ะไมคุณที่รัสักวิรุณห์ว่าลิขวรุณห์อราฮิมซบฮ์ข้าวกมัยข้าวะมัยขาวะัยข้าวัยข้าวะมัยข้าวะมัยข้ามยข้าวะมัยข้ามัยข้าวมัวะมัยขาวะกัยข้ามัยข้าวะมข้าวะ้ามยาัยข้าวะมัย้าวั้วะมข้าวะม้าวัยขามัวะมัย้าวะมัยอ้าวะมัยขาะม้าั